กันยายนพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันเสาร์วันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เป็นวันพระแต่วันพระพิเศษนะคณฑัทายาตโยมวันนี้พวกเราได้ออกมาฉันที่ศาลาข้างนอกเพราะเป็นวันเสาร์ แล้วก็วันพวกนี้ก็คงจะมาฉันอีกเป็นวันอาทิตย์แล้วก็วันพระก็คงออกมาฉันอีกเป็นวันเดือนสิบแผ่นเป็นวันทําบุญฉลากระพัดเป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระทางอีสานของพวกเราให้ความสําคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นวันข้าวฉลากระพัดเป็นวันทําบุญในระหว่างพรรษา เมื่อเดือนเก้าดับที่ผ่านมาอันนี้ก็คือการทาบุญข้าวประดับดินวันพระเดือนเก้าดับแต่บัดนี้วันพระใหญ่ข้างหน้าวันเดือนสิบเพนเป็นวันทำบุญทำบุญฉลากกระพัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณและก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็อยากจะประกาศให้คณะสัทธ า, ญญาติยม ท่านผู้ใดจะไปในงานวันเกิดของหลวงปู่ลีก็ได้นะหลวงปู่ลีท่านเกิดวันเดือนสิบเพนภู ผ, ผาแดงถ้าว่าผู้ใดจะไปในงานวันเกิดของท่านก็ไปได้วัน15บหาค่ำเดือน10กนะกจะมีงานใหญ่พอสมควรอยู่ แต่หลวงพ่อคงไปไม่ได้เพราะเป็นวันนั้นศรัทธาญาติโยมลูกหลานก็คงเข้ามาวัดในวัดหลวงพ่อก็คงจะเต็มแน่นไปหมดเหมือนกันคนในท้องถิ่นมาทำบุญประจำปีทุกปีที่ผ่านมาอันนี้ก็คือขอเรียนให้ทราบแล้วก็วันนี้ทางในวัดของเราก็จะมีครูบาอาจารย์ทางอำเภอสว่าง แดนดินหลายวัดก็จะเข้ามาคารวะตามประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษามีพระสงฆ์และคณะสัายาติโยมมาคารวะและก็พร้อมกันก็ให้จัดของที่จะถวายหรือว่ามอบเป็นของสำรวยสำหรับสัทยาธิติโยมพวกหนังสือพวกเทปถ้ามีรูปขององค์หลวงตามีไหม อันนี้ก็ให้พวกพราชช่วยๆกันนะจัดนะคงจะมีคนมากอยู่วันนี้ตอนบ่ายประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงนี่แหละแล้วก็วันที่12บสองทางหลวงพ่อสุธรรมกับคณะก็คงจะเข้ามาอีกแต่ยังไม่ได้ถามว่ามากหรือไม่มากคิดว่าไม่น่าจะมากก็คงจะรับกันที่ทางในวัดเพราะนั้นขอให้ พวกเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ะพวกน้ำลืม่มเลี้ยงแขกคนที่มาครูบาอาจารย์ที่เข้ามาวัดของพวกเราให้ช่วยๆกันดูคงจะมีกลุ่มใหญ่พอสมควรคงจะรับแขกที่สลาข้างนอกเนี่ะวันนี้ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็พระเข้าไปบอกหลวงพ่อนะ อันนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพราะนั้นหลวงพ่อจะไปที่ไหนในวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระในพรรษาในหลวงพ่อจะต้องจำเป็นจริงหลวงพ่อจึงจะไปนะแต่ถ้าไม่จำเป็นจริงหลวงพ่อจะไม่ไปเพราะว่าแขกคนที่มาในวัดนี่ก็ามากพอสมควรเพราะเข้าม า, าต้องการอยากจะพบ โดยมากจะไปวัดแล้วก็ไม่ว่าท่านว่าเราถ้าไปวัดไหนไปวัดไหนไปวัดหลวงปู่บุญมี่พอไปถึงหลวงปู่บุญมีไม่อยู่หลวงปู่ไม่อยู่เขาอ่อนเราที่เข้าไปเสียเวลานี้ก็เหมือนกันใจเขาใจเราเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้ามันจำเป็นจริงก็จะว่าอย่างไงในเมื่อจำเป็นจริงแต่วันอาทิตย์พอฉันจังหันเสร็ ตอนใช้สายนะหลวงพ่อก็จะเดินทางเหมือนกันนะ mm hmm. คงจะไปที่ขอนแก่นไปงานศพเขาอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันเพราะว่าผู้ที่ตายในกีผู้ถวายหินมอบหินแกรนิตที่พื้นศาลาของเราเดียวนี่แหละนี่แหละอันนี้ก็คือจะไหวอย่างไรละ่ะในเมื่อขราวจำเป็นก็จะต้องในไป ในงานถ้ า, าว่าไม่จำเป็นก็ได้เลือกงานเหมือนกันเพราะว่าหลวงพ่ออายุมากแล้วคนะณะสัา ญ, ญาติโยมลูกหลานจะไปที่ไหนตะลอนตลอนไปโดยที่ไม่ได้ดูสังขารของตัวเอ ง, ล, งออลูกหลานเห็นก็คงจะทุเล็โอ้ยหลวงพ่ออินเอ้ยอายุขนาดนี้ยังไปที่ไหนอีก ลูกหลานเขาจะว่าให้นะหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะให้ลูกหลานเขาว่าเหมือนกันนั่นแหละจะไปที่ไหนหลวงพ่อก็ต้องคิดดูซะก่อนการไปเป็นยังไงคุ้มค่าไปไหมแต่การว่าคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเหล่านี้นะ่ะหลวงพ่อไม่ได้เอาทางด้านวัตถุมาเปรียบเทียบไม่ได้เอาเงินเอาทองเอาสิ่งเอาของมาเปรียบเทียบหลวงพ่อเอาน้ําใจนะ้นําใจผู้ที่เขามา นิมนต์เป็นยังไงเออเป็นยังไงน้ำใจเป็นยังไงเนี่ยหละหลวงพ่อจึงคิดถึงจุดนั้นนะถึงยังไงก็เรื่องวัดวาศาสนาพี่น้องประชาชนครูบาอาจารย์มันแยกกันไม่ออกล่ะถึงยังไงถึงจะไปหรือไม่ไปนะถึงหลวงพ่อจะไปหรือไม่ไปหลวงพ่อก็ยังรักเมตตา อในพี่น้องลูกหลานทุกคนที่เขามาเกี่ยวข้องแล้วก็ได้ม า, าคบคาสมาคม เ, าเป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์ เ, เป็นสหธรรมิก เ, เป็นญาติเป็นโยมเป็นวงสาคนาญาตเาิเป็นญาติธรรมมันมีหลายระดับนะมันมีหลายระดับญ า, าติธรรม ถึงอย่างไรยังไงหลวงพ่อยังเมตตาอยู่ตลอดทําไมจึงไม่ว่าเมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นวิญญาณอื่นท่านผู้อื่นใดในโลกก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาหลวงพ่อมีน้ําใจอย่างนั้น ต่อกนัตทาญาติโยมลูกหลานทุกหมู่ทุกเหล่าแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าว่าผู้ใดเข้ามาใกล้เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาใกล้หลวงพ่อเองก็จะได้บอกกล่าวแนะนำสั่งสอนเอาหลักธรรมคำสอนไม่ใช่คำสอนของหลวงพ่อนะ ห, หลวงพ่อจะมีอะไรหลวงพ่อก็ได้ศึกษาธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ประสบประการมาอย่างไร มีความคิดเห็นอย่างไรที่จะเกิดประโยชน์ต่อศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานหลวงพ่อก็ได้นํำทำคําสอนน่ะที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาเห็นว่าถูกต้องที่ว่าเป็นธรรมแต่ก็บอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้เป็นศินเนออันนี้เป็นธรรมเนออันนี้เป็นกิเลสเนออันนี้เป็นทางหนทางแห่งความชิบหายเนอ อันนี้เป็นหนทางแห่งความเจริญหลวงพ่อจะบอกแนะนำลูกหลานทุกคนแต่ว่าลูกหลานจะนำไปประพฤติธปฏิบัติมากน้อยอยังไงแค่ไหนอันนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้คลายๆก็วังไม่ได้ผูกมัดก็อย่างที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเราตถาคต เป็นผู้บอกทางเป็นผู้บอกทางเท่านั้นแต่ส่วนจะเดินตามหรือไม่เดินตามที่พระพุทธเจ้าบอกทางนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราคณะสัตยา ญ, ญาิโยมลูกหลานจะเดินตามหรือไม่เดินตามถ้าหากว่าเราเห็นด้วยกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเดินตามเพราะเราเห็นด้วยเรากันกรองไตรตรอง ด้วเหตุและผลแล้วถูกต้องอในเมื่อถูกต้องแล้วก็ต้องพยายามปฏิบัติตนให้เป็นคนดีอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอน เ, อเราเกิดมาในภพพระพุทธศาสนาเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย เ, เราจะมีจะทําตนอย่างไรในเมื่อเรามาถึงอย่างนี้แล้วเราก็ควรจะมีทานมีศีล มีภาวนานะนนี้ก็คือหลักใหญ่หลักให ญ, หใหญ่จากนั้นท่านก็บรรยายเลยการอยู่ด้วยกันอยู่อย่างไรการครบค้าสมาคมกันเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องลูกลูกพ่อแม่ลูกสามีภรรยาแล้วก็มิตรสหายครูบาอาจารย์ พี่น้องประชาชนพลนโลกสัพรพสัตทั้งหลายเกิดเป็นเพื่อน เ, นเกิดแก่เจ็บตายควรปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้พระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านจําแนกแจกเป็นประเด็นเป็นประเด็นประเด็นประเด็นถ้าเราได้ศึกษาแล้วพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยครบท่วนบริบูรณ์เป็นว่าเป็นอันว่าสวากขาธรรมฮะ สวากขาตาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชอบแล้วแต่พวกเราจะนํามาวิเคราะห์เมื่อวิเคราะห์แล้วเข้าใจจากนั้นก็นํามาประพฤติธปฏิบัติเป็นอย่างๆไปอย่างศีลห้าอย่างนีเ้เรานำมาพิจารณาด้วยศีลห้าเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราเราไป ข, ข, ข, ามา ข, ไปขโมยของเขาเขามาขาโมยของเรา เราไปทําผิดสามีภรรยาลูกหลานของเขาเขามาทําผิดสามีภรรยาลูกหลานของเราเราโกหกเขาเขากโกหกเราเราไปดื่มสุราเข้าไปแล้วเอารถมาเฉียวมาชนมาด่าเราเมาทําร้ายทํลายเราเพราะเขาขาดสติในเมื่อเราดื่มสุราแล้วก็ไปทำร้ายทาลายเขาเพราะเราขาดสติสรุปแล้ว สินของพระพุทธเจ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาในเมื่อเราไปทำให้กับเข า, เ, าเราก็ไม่เป็นไรพอเราไปทำให้กับเขาแต่เมื่อเขามาทำให้กับเราละ่ะเป็นยังไง เ, เรามีความรู้สึกอย่างไรนี่หละสินของพระพุทธเจ้าถ้าพิจารณาดูให้ทีท่วนแล้วเขาเราเขาเราเราเขา นี่แหละอันนี้ก็คือศีลของพระพุทธเจ้ากฎหมายก็เหมือนกันกฎหมายก็เหมือนกันที่วางไว้แต่หยาบหยาบกว่าศีลศีลของพระพุทธเจ้านี่ละเอียดถี่ถ้วนตลอดศีลของพระสงฆ์ศีลของพระสงฆ์ก็เหมือนกันที่ตั้งขึ้นมา227อยยีอันนั้นทั้งทั้งทางโลกทั้งทางธรรมด้วยทางโลกก็คืออะไร คือสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยแต่ส่วนธรรมนั่นคืออะไรถ้าเราทำเข้าไปแล้วมันผิดมันผิดศีลธรรมอพอทำเข้าไปแล้วมันเป็นการส่งเสริมกิเลสลาคะาแต่ทำมันถูกโลกเข า, ามันถุกแต่ว่าในหลักธรรมของของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านได้ตรวจตราดรวแล้วมันผิดมันผิดธรรม แต่โลกกเรา่ะมันถุกโลกเขยอมรับกันทั้งหมดว่ามันถูกแต่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันเิศทำให้จิตใจของเราเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะจิตใจของเราก็เพื่อมมันผิดธรรมแต่มันไม่ผิดศีลแต่มันผิดธรรมสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องศึกษาถ้าศึกษาเราจะรู้ได้เราจะแยกแยะได้ว่าอันไหน อันไหนคือฐานอันไหนคือศีลอันไหนคือธรรมอันไหนคือกิเลสราคะโทสะโมหะอันไหนคือทางพ้นทุกข์จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้พวกเราได้ศึกษาเราจะรู้นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทัดไทยญาติโยมให้ศึกษาให้ศึกษาธรรมะแต่ถ้าว่าศึกษาไม่มีเวลาศึกษากไม่ต้องศึกษามากนะไม่ต้องศึกษามาก ให้มีสติสัมปชัญญะให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปที่ไหนให้มีพุทโธ อ, อ, อยู่ในบ้านตัวเองก็เห็นมีพุทโธ อ, อ, อย่าไปเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาคิดมาปรุงมาฟุง้งมาซ่านจะไปเอาเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องสามีภรรยาคนอื่นหรือของตนเองก็เถอะแต่ทึ้งยังไงล้วก็ต้องบวกปล่อยวางที่ใจอีกสักวันหนึ่งนะเน อ, อไม่รู้ว่าวันไหนละ คนในบ้านของเรานะ่คนในวัดของเราเนะี่ยไม่องค์ใดก็องค์หนึ่งถ้าไม่ออกจากกันไม่หนีจากกันต้องตายถ้าเราไม่ตายจากเขาเขาก็ต้องตายจากเราโลกนี้มันเป็นยุงอยู่อย่างนี้นะโลกพัดพรากโลกอนิจจังต้องทำใจไปนะนใจฮ้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราคิดไว้ในใจไว้อยู่เสมอนะโลกอนิจจังโลกเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าเราคิดไว้ในใจเนี่ยอยู่ในใจของเราใจของเราถึงยังไงก็ตามไม่กระเพื่มนะถึงกระเพื่มก็ไม่แรงถึงจะทุกก็ไม่แรงถึงจะโกรธให้ใครก็ไม่แรงถึงจะรักใครก็ไม่ไม่รุนแรงฮะเพราะเหตุไรเพราะว่าอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องหนีจากกันอยู่แล้วไม่รู้ว่านี้ทางไหนะ่ะเหตุไหมปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายเนี่ยเขาหนีจากกันไปแล้วไม่เห็นกลับมา เราจะไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมหรือจะเป็นอย่างเขาเราก็ต้องถามตัวของเราเราตอบได้เลยว่าใช่ข้าก็เป็นอย่างเขาได้แหละอีกสักวันหนึ่งเพราะนั้นคุณงามความดีสิ่งไหนที่เราจะประกอบคุณงามความดีฐานศีลภาวนาบุญกุศลการส่อแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ แนะนำสั่งสอนเราจะทำอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะอันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวความคิดชี้นำ เ, เรื่องความคิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังพวกเราคิดดูสิถูกต้องไหม อ, อ, อันนี้ก็เป็นแต่บอกทางก็ พ, พุทธเจ้าเพิดพาบอกทาง เ, เราจะเป็นผู้ พานำทางจับมัดแขกมัดขาเดินทางได้ไงเราก็เป็นลูกศิษย์เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหรนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพาบอกทางพระสงฆ์ก็ต้องพาบอกทางอีกเหมือนกันนั่นพวกเราเดินต่อไปพวกเราก็จะบอกทางเองเดินมาถึงไหนถึงไหนแล้ว อ, อข้าพรเจ้าให้ทานสบายใจเน้อมีคนมีทาน การอยู่ด้วยกันมีการเสียสละมีประโยชน์นะเออการรักษาสินคนมีสินไว้เนื้อเชื่อใจกันดีนะเออการภาวนาเนี่ยทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจไมุ่ไม่ปุ้งไม่ฟุ้งไม่ซ่านเนี่ยมีความสุขจริงอย่างทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่านัทิสันติปรังสุขขังความสุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มีถูกต้องถูกต้องตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆในเมื่อข้าพเจ้านั่งสมาธิจิตใจของข้าพเจ้าสงบจิตใจนิ่งจิตใจไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านจิตใจไม่หิวไม่โหยจิตใจอยู่กับตัวโอ้มีความสุขจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้นะเพียงแค่นี้แหละ เ, เราก็ได้รับ เดินตามแนวแถวของพุทธะและเจรด้พวกเราจะประสบแต่ความสุขทางด้านจิตใจต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุมมทนาให้พร